ถึงเรื่องธรรมอีกพระธรรมเป็นคันสาธา ร, รณะกินค ว, วามกลัวและจะพูดถึงเรื่องพระธรรมต่อและจะพูดถึงเรื่องธรรมคุ้มครองโลกต่อไปอีกธรรมนั้นคือสภาวะที่มีอยู่เป็นอยู่ ตามปกติไม่ว่าทั้งดีและทั้งชั่วหยาบและละเอียดจะเป็นรูปหรือเป็นนามล้วนแล้วจะเรียกว่าธรรมเลยกันทั่งนั้นนี่ให้เข้าใจถึงเรื่องธรรมก่อนทุกนินทุกอย่างธรรมทั้งหมดเลยสมมตุติบัญญัติเรียกว่าธรรม ของทรงไว้ซึ่งตัวมันเองมันทรงตัวมันอยู่ตามสภาพของมันเองเช่นเรียกว่ารูปธรรมมันก็ทรงตัวของมันอยู่ตามสภาพมันตามเดึงได้แก่ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมดังเคยอธิบายฟังมาแล้วทําไมถ้ามันทรงตัวมันอยู่ทําไมไม่จ้างต้องสลายามีปัญหาถาม สภาพของธรรมมันต้องเป็นอย่างนั้นถ้าลายแล้วก็ปรากฏขึ้นมาแล้วก็สลายไปแล้วก็ปรากฏขึ้นมาใหม่เปลี่ยนสภาพอยู่อย่างนั้นแต่มันก็ไม่พ้นจากนั้นอีกก็เรียกว่าธรรมเรียกว่าสภาวะธรรมมันติดอยู่เช่นนั้นนี่เรียกว่าธรรมอันนี้ธรรมนี่คนเราเอามาใช้ถ้านพระพุทธ เ, เจเอามาใช้ เ่อพุทธเจ้าไปเห็นเห็นสภาพแล้วไม่เข้าไปยึดเรียกว่าเห็นธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมหมดเรื่องไปไม่เป็นทุกข์เดือดร้ อ, รอนไม่เป็นเครื่องกระทบนตนและคนอื่นถึงแม้มันจะเป็นอยู่เช่นนั้นแต่ก็ไม่เดือไปยึดเอามาเป็นตนเป็นตัวเพือเอาเพื่อเขาเรียกว่าเห็นสภา พ, าพตามเป็นจริง ถ้าเห็นไม่เป็นจริงยังไปยึดเห็นเมือนการเห็นเป็นสภาวนะใานไหมมันการจะเข้าไปยึดเพราะในเมตัณฑเห็นตามเป็นจริงยังปล่อยวางไม่ได้เลยเรียกว่าโลกกรทําคือว่าโลกพอไปใช้หรือจุดใต้บังคับของธรรมหรือว่าธรรมชักจูงไปที่ท่านแสดง เป็นหลักเลยเรียกว่าโลกกรทัมแปดได้ล่าเสื่อมล่าได้ยศเสื่อมยศมีสุขแล้วก็มีทุกข์ชั้นละเสริญกันินทาเป็นคู่กันไปทำทั้งสองอย่างนี้เกิดจากสภาวะธรรมเหมือนกันแต่โลกเอามาใช้ธรรมวัชภาวะนั่นคือว่า สิ่งที่มันมีอยู่เราไปเอามาเป็นของเราเรียกว่าเราได้เมื่อเราเอามาแล้วมันก็นมาอยู่ในบงังคัดของเรามันก็เป็นไปตอนสภาพักขึ้นมามันก็เสื่อมสูญไปเพราะมันหยุดจากมือของเราไฟเรียกว่ามันเสื่อมเรียกว่าได้ลาเสื่อมลาลาภะคือความได้ไม่ใช่อะไรหรอกลาภะในหมายความถึงเรการได้เรียกว่าลาภาานะตรนั้ ได้อะไรทั้งหมดแม้ที่สุดได้ไดชีวิตร่างกายของเราเกลียกว่านใดเมื่อได้นี้่ล่ะสมมติเสื่อมสลายไปโดยลำดับอย่างที่เราเป็นอยู่เสื่อมสลายมาตั้งแต่เป็นเด็กเป็นเล็กเป็นหนุ่มเป็นสาวแลาาปลสภาพจนแกเ่เฒ่าสลายเมื่อมันหมดสภาพเข้ามันแล้วมันก็เสื่อมสูญสิ้นไป สิ่งทั้งหลายและที่มีอยู่ในตัวของเรามันก็ไปตามพภาพของหันนั่นใครห้ามไม่ได้ถึงไปตามสภาพาวันเป็นตามพภาพาอย่างนั้นอยู่ใครห้ามไม่ได้แต่เรานั่นไปเอ า, าไปยึดออกมาไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นอยากให้เป็นอย่างที่เราตั้งใจและปรารถนาหรือเราต้องการเลยเรียกว่าโลกประทับ คือมันเป็นเรื่องของโลกโลกเกิดขึ้นมาทุกคนต้องเป็นอย่างนั้นตรงนี้แหละเป็นเครื่องวัดโลกกับธรรมของตัวของเราแต่ละคนถ้าหากเราเห็นสภาพตรงนี้ตามเป็นสิงปล่อยวางได้มากน้อยเท่าไหร่แล้วก็จะเป็นเครื่องวัดตัดสินใจตนเองว่าเรามีโลกกับธรรมกกมากน้อยขนาดใดเราเห็นธรรมมากน้อยขนาดใด มันเรื่องวัดในตัวถ้าหาคู่ไม่ไจะจศึกษาแล้วไม่ได้ัจปัจฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าคิดแท้จริงและปฏิบัติฝึกหัดไดอบรมและเข้าใจทั้งคมจริงในธรรมคําสอนพระพุทธเจ้าแล้วเมื่อการได้คือได้อะไรก็ตามเถิดเห็นได้แต่ภาพเกิดึ้นมาชอบรักยินดีพอใจ เพิดเพลินในรุ่มหลงหมัวเมาเป็นโรคโดยแท้ถ้าผู้เข้าใจแล้วและได้ปฏิบัติฝึกหัดสนใจพิจารณาให้เห็นตามเป็นจริงถึงแม้สิ่งนี้จะเป็นโรคกขะตาที่เป็นธรรมของโรคกระชากซ้่งเป็นไปตามโรคกขะตาแต่เห็นเป็นธรรมอยู่ตลอดเวลาคิดว่าธรรมต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนั้น มีทั้งเรื่องโลกกับธรรมเอาไปใช้เป็นเรื่องโลกและเป็นโลกกับธรรมถ้าผู้ใช้เป็นธรรมคือเห็นสภาพตามเป็นจริงเรียกว่าผู้เป็นเห็นธรรมและใช้ธรรมอนี้ถูกต้องน่าจะไม่ได้รับความเดือดร้อนแะเป็นทุกข์ถ้าผู้ไม่รู้จักธรรมอนี้ตามเป็นจริงเอาธรรมอันนี้มาใช้ ด้วยความเข้าไปยึดมั่นสจำพันมาเป็นตนเป็นตัวเป็นเราทั็นเขาลกลายเป็นโลกโดยแท้จึงอธิบายเพิ่มเติมอีกว่าพระธรรมกับธรรมใ น, นคนใะอย่างแท้จริงก็คืออันเดียวกันนั่นแหละพระธรรมคือคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าพระธรรมพระพุทธเจ้าไปเห็นสภาพาตามเป็นจริงแลงง้วนามาสอนของมาสอนพวกพุทธบริษัช เรียกว่าพระธรรมคือคำ ส, สอนของพระภูริเจ้า่างเลียวพระคือลาศากดิ์สนิทพระธรรมคำสอนของภูริเจ้าเป็นลาสาสดแท้ที่จริงก็คือธรรมนั่นแหละได้เห็นตามจริงเอาความจริงมาสอนเรียกว่าพระธรรมกับธรรมนั่นก็คืออนเดียวคนนั้นแหละอย่างว่าเราไปเห็นสิ่งในที่หนึ่งซึ่งอยู่ในป่า ของที่มันมีใครเคยรู้เคยเห็นของมันนั่นยังไม่เคยไปเจอสักทีเลยแท้จริงมีอยู่ในป่ามาแล้วฉันไปเห็นรูปอะไรหนึ่งซึ่งเป็นรูปอีกคนวิการคนเราไม่เคยเห็นไม่มีใครเคยไปเจอสักทีจะเป็นถม้มเป็นลูปถิ่งโตรูกถิ่งโ ต, แ ล, งโตและรูปสุกตาอะไรก็ตามเถอะเมื่อไปเห็นนั่นนมาบอกกล่าวแก่คนอื่นก็ยังเคยมีอยู่สมยัย้างหลังนี่ก็ยัเคยมี สิ่งใดถ้าคนใดเคเห็นในป่าในโลกซึ่งคนไม่เคยเห็นเขามักจะเอาฉายาคนนั้นไปใส่เช่นพรพุทธบาทสระบุรีแล้วเรียกว่าพุทธบาทนายพานบุญเพราะนายพานบุญไปเห็นก้อนหินอย่างนี้เป็นต้นพระพุทธเจ้าก็ทํานองเดียวกันนเมืเ่อพระองค์เห็นแล้วนามาสอนเขาเรียกว่าพระธรรมคือคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเอง เห น, นั้นธรรมกับพระธรรมนั้นอ่ะมีความหมายอันเดียวกันไปแยกกันคือว่าเห็นอันเดียวกันแต่มีความหมายของการรู้การเห็นผู้รู้ผู้เห็นเรามาสองเดียวกันแล้วถ้าเทนั้นจมีอะไรหรอกในพูดถึงเรื่องธรรมกับพระธรรมแล้วก็พูดถึงเรื่องธรรมเป็นคําสาารณะ มีอยู่ในโลกตลอดกาลเวลาถึงพระพุทธเจ้าจะอุบัติเกิดขึ้นมาหรือไม่แท้ธรรมก็มีอยู่ตามเดิมพระพุทธเจ้านิพผานไปแล้วแท้ธรรมนี้ก็มาเดเสื่อมสูญไปไหนจากโลกมีอย่างนั้นตลอดกาลต่อไปจะพูดถึงเรื่องแท้ธรรมคือพูดถึงเรื่องธรรมครา น, นี้พูดถึงเรื่องธรรมเรียกว่าโลกธรรมธรรมรักษาโลก คือคุ้มครองโลกถ้าไม่มีธรรมเสียแล้วโลกมันเสื่อมสูญทีบหายหมดไม่มีอะไรเหลือหรอดังที่ท่านแสดงถึงเรื่องว่ า, าศุนยักษับหรือโลกกวินา่าอะไรกันไฟล้างโลกสานโ ล, โลกหมดจีบหายเป็นจุนีจุนเลยอ น, นั้นเรียกว่าธําไม่มีโดยแท้หมดธรรมะ คว่าคนก็ไม่มีทับไม่มีศีลธรรมประจำในใจเลยสักนิดเดียวโลกนี้ก็เสื่อมสูญไปโดยทันดัตแม้ตั้งแต่ดินฟ้าอากาศต้นไม้ภูเขาก็แห้งแล้งหน้าในมหาสมุทรก็แห้งแล้งมดเกิดสูงเสื่อมสูงหมดท่านแสดงใาอย่างนั้นจึงเกิดไฟอะไรกันลางโลกใหม่หมดแต่คนสมัยนี้เป็น ของสุดวิสัยขึ้นจะตามรู้ตามเข้าใจในเรื่องนั้นโดยมันเป็นของยืนยาวนานแสนนานเหลือที่จะคำนวณได้หากว่าเรามาพิจารณาตามเหตุผลใกล้ในปัจจุบันชั่วชีวิตของคนเราในระยะ 4, 5, สี่ห้าสิบปีจริงทั้งร้ายแลที่มันมีปรากฏมาแต่ก่อนค่อยเสื่อมสูญหดชินไป ก็พอจะเป็นเสื่องวัดไปบ้างอันนั้นมันจะเป็นหลายพันล้านปีตรงจะถึงขนาดนั้นอันนี้เราต่าระยะสั้นของเราเพียงสี่สิบห้าสิบสี่ก็พอจะเป็นเสื่อมวัดไปบ้างอันนั้นเรียกว่าสินทำไม่มีหมดแล้วไม่มีอะไรคุ้มครองโลกพอจริงๆจังเสื่อมจริงๆเห็นนั่นนี่ว่าท่านเรียกว่าโลกกระบาลคือทำคุ้มครองโลก มียนะุสองประการทำคุ so ้มของโลกมีสองประการคือความละอายบาปคือความลอายความชั่วกลียวความชั่วละอายความชั่วละอายความชั่วคำว่าเกรียวคือกลัวจะมากลัวมันจะเกิดจะหนีใช่ไหมว่ากลัวความชั่วจะเกิดมีขึ้นแล้วว่ากลัวนี่แหละคุ้มของโลกอยู่ ถ้าขาดความละอายจริงริอุะปะกละอายบากลัวละอายคนชั่วตัวคนชั่วไม่มีแตแล้วหมดเลยแต่ น, นี่หางยังมีอยู่บ้างดังเราจะเห็นได้คนทีน่ทําควนชั่วทุกประเภทที่ก็ทํานั้นไม่ใช่ต้องม่มีความรู้สึกรู้สึกว่าืันรู้สึกของชั่วเมื่อน้ำใสใจจริงด้วยความลึก ขึ้นไปไนมีความรู้สึกย่ภายในรู้สึกของธีรมนิอมเขารู้สึกความชั่วเหมือนกันแต่หากว่ามีเหตุจริ ง, บ, งรบังคับให้ทำหรือทนต่อความทะเยอทะยานภายในใจของตนไม่ได้จริงต้องทำนั่นแสดงว่าอย่างทำโดยที่ว่า ไม่ได้ลืมโลหร ว, วมตัวในการที่ทำเช่นนี้เรียกว่าโลกกระบาลยังมีติดอยู่บ้างถ้าทำโดยแค่ม่รู้สึกเลยเข้าใจเป็นของมันมือเ้วเป็นของกีฬาใช่หมดเรื่องแล้วน น, น, นี่ถ้าจะอธิบายให้ฟังแค่เรื่องโลกผี่พัฒนามาเป็นเบื้องต้น ตามประวัติดึกดำบันยาวยืนนานมาโลกตั้งขึ้นครั้งแรกทั้งกล่าวทั้งเล่นตังนามว่าโลกอันนี้เน่ะไฟประหลัยโลกล้างฐานหมดไม่มีอะไรที่เเรือหลอในโลกอันนี้เป็นอัจตราศว่างเล่าหมดนานไม่หลายหมื่นปีหลายล้านปี จึงเกิดเป็นเมฆขึ้นมาเป็นก้อนฝนตกมาท่านตกมาท่านนี้ก็เป็นน้ำท่วหมดต่อเาก็เกิดพายุลมพัดกระทบไอกระทบมาเกิดเป็นฟองจับเข้าในที่แห่งใดแห่งหนึ่งเขาเลยตั้งต้นเป็นแผ่นดินน้ำก็แห้งงวดลงไปท่านนี้ ทันข้อในในฟองอันนั้นแ่ะจับตัวเข้าก็ค่อยงอกงามไปเลยเติบมาจังหลายร้อยหลายล้านตีหลายร้อยหลายพันล้านตีมาโดยลําดับจนกระทั่งเป็นแผ่นดินเพราะฉะนั้นแผ่นดินเนี่ยให้เปลือกดินนั้นหนึ่งซึ่งยอยู่หนืออยุ่ผิวดินนั่นหน่งเช่นของที่กินหอมที่สุดเที่ยวอ่ะมวนดินพภาษาเนี่ก็ขาเรียก เมื่อดินนี่แหละเปือกดินนี่แหละผิวดินนี่ยะมีรสอร่อยอร่อยหอมส็พุ้งตลบขึ้นไปถึงผมมาโลกกัดทั้งหลายในเวลานั้นไม่มีในคือพบกัตถุทีนะเกิดในผมมาโลกทั้งหมดเขาพงไอยพวกคมทั้งหลายทุกกินก็เกิดชอบอกชอบใจอยากจะมาชมเหาะมาด้วยลิธิอำนาจชาน ไม่มีพระทิศชีจันท์มาด้วยแสงสว่างของตนเองถ้าจะเปลี่ยนก็จะเห็นห้อยในการคืนมาเข้ามากิน้วนดินคือมากินเปลือกดินเนื่อเนี่ยผิวดิ น, น, นเป็นอาหารหยาบเพราะชมไม่ได้กินอาหารสัวนี้ท่านว่าี่ติพักขาพัสาราชมทั้งหลายนักินอาหารด้วยจิต มีธรรมวิตีเป็นเครื่องอยู่ตรีธรรมนี่เป็นอาหารของพรหมไม่ได้กินอาหารอย่าบเพราะฉะนั้นเมื่อพรหมมาทานอาหารหยาบตอ่อเลยหมดฤทธิ์หมดนอำ น, นาจหมดแสงสว่างนั่นแ่ะตั้งเริ่มทีแรกเริ่มทีแรกในทางพวกคำที่ในทางพุทธศาสนาท่านจะไม่เคยพูดมากนะักพูดเล็กๆน้อยๆไว เร น, นี่นํา ม, มาเล่ากล่าวให้ฟังคนสมัยนี้จะเชื่อไม่เชื่อจะเอาไว้คิดเทียบกันเพราะมันหลายร้อยหลายพันหลายล้านปีคือเหตุผลว่าทั้งเรื่องการก่อเกิดของสิ่งต่างๆปัจจัยที่ให้เกิดให้หมายความตรงนั้นเรื่องนั้นจะเป็นยังไงเอาไว้ใชก่อนใหู้้จยกคําหมายในเรื่องพอดี ที่พูดทีพูดถึงเรื่องธาตโล ก, กุ บ, บาลธรรมะเครื่องพุทโโลกที่ยจะให้เข้าใจตรงนั้นต่อมาเนี่ยพวกพร ม, ม น, นั่นน่ะธรรมดาพรมมมีเพศหญิงเพศชายเราจะเห็นได้เที่ยวกันได้ผู้หัดปฏิบัติพาททอนาก็มาถานเมื่อจิตปล่อยวางอุปทานเข้าถึงความสงบเป็มที่ไม่มีเพศหญิงเพศชายไม่รู้จักว่ตนเป็นอะไรอะไรทั้งหมดงั้นเทียบกันได้ ผู้หัดภาวนาตรงนั้นรู้ได้ดีพูดอธิบายตรงนี้เมื่อพร้อมเฉื่อมจากพร้อมแล้วก็อย่างเราออกจากสมาธิหรือออกจากคิดที่เป็นผวัาจะดูกายเห็นเรื่องต้นนะจะมองดูกายเราแค่เป็นรู้สึกว่าเป็นอะไรตัวไหนปานานมาความคิดและความใจนะมันอยากเข้าจะรู้สึกว่าเราเป็นเพศหญิงเพศชายมีเทียงกันได้ทีนี้พอเมื่ออยากอาหารอยาก ก็กลับกลายมีเพศหญิงเพศชายขึ้นมามีโรคพัฒนาคือพโรคเสื่อมที่พูดแง่หนึ่งเรียกว่าโรคมันเสื่อมจากสภาพของของดีมาหาของเลวถ้าพูดในแง่ที่ว่ามันเจริญช่วงเปลี่ยนแปลงสภาพมาเรียกว่าเจริญแค่เข้าใจทังสองแง่อันนี้พวกดีมีเพศหญิงเพศชายขึ้นมาต่างก็เพ่งเล็งซึ่งกันและการเกิดความปฏิปักษ์กันหนัก ก็จูบชมกันในสาธารณะโดยที่ไม่มีที่ปกติกำบังท่ น, นี้ก็ที่เห็นเข้าคนทั้งหลายที่เห็นเขา้าคนอื่นเห็นเข้าเกิดความละอายอับอายสายคกินมาถ้ากันคว้าก้อนไม้ก้อนดินเลยได้อะไรก็พุบตีกันโวยหัวกันใส่กันไล่กันที่นีอ่อุตะาเกิดขึ้นมาเลยที ไม่ใช่สอนนั่นไหนนี เ, เจะเกิดนมาธธรรมะคือเกิดขึ้นมาลิรราลอันนี้พวกเ่านั้นก็พอรู้สึกตัวรู้จัดอายความอายนั้นจับตากฏขึ้นมาทั่วไปแล้วค่ะนีต่างคนก็พากันหาที่กำบังในใบไม้สิ่งไม้ได้อะไรมาปกปิดกำบังทำเป็นส้มเป็นเพิงอยู่ตามสภาวะ ของตนเองอยู่ในเจะาพอเป็นขัดเป็นส่วนถึงแม้จะมีความรักทอดใจกันจะกกอดเดจ้าจนด้ยวยประการใดจะอยู่ในคุลักทุรลียปกติความบางความอาอ น, นานๆมาเข้ากับหาวิธีที่จะปกติความอายของตนเอาใบไม้อะไรต่งตางๆมาเย็บพ่มห่อร่างกาย จนกระทั่งพัฒนามาหาเปลือกไม้ทูปเปลือกไม้มาเป็นเคื่อนนุ่งหม่มพัฒนาวมาจนกระทั่งหาใยไมใหมได้มาทอเป็นผ้านุ่งหม่มพัฒนาไปจนกระทั่งเจนป่า น, น, า น, นี้นี่มี่ดีโอจะปักพุ่งทองทำพุ่งทองโลกมันมีมาโดยลําดับนี้ ครนี้มันถึงที่สุดแลคานี่โลกของเราไถึงที่สุดอล้วจะเล่นจะถึงที่สุดแล้วปกปิดนุดม่มห่อด้วยของดิีดีมีค่าละคาแสนเท่าไรต่อทำกันมาหมดทุกสียงอย่างคนเรายังเป็นอ า, า, าสาให้ค่ากับเด็กลกักษณะคนถ้าหัใจไม่ทันบริสุทธิ์นึงไม่หมดสวดจากากิเลสบาปกระทำต้องไม่คิดอะไรตั้งเด็กเด็กๆทั้งหลายมันถ้าเล่นของเะไรนานๆสักจะเบือ่อ อันนี้ก็มือนกันมันไมคนเรใช้แต่ิ่งดีๆไปดีใช้กันนานๆในสชักเบื่อๆ เ, เอาของเร็วๆมาใช้ตลอดจนเส้นใช้ในสอเส้นนุ่งหมก็ค่อยเลวลงไปทุกทีทุกทีการที่ว่าความปกติท่อมห่อเที่เพื่อสวมอายก็เลยเป็นเรื่องอวดโอก้กับท้องอับอายหน้าอัอา ย, ายนหนายนะเปเรื่องอวดโอ้ก็เป็นของโอก้ของวิเศษ รับคืนไปละวครับจะหันปัญหาของเด็กนี่แหละคราวนี้เรียกว่านี้ทีโอตะกว่าค่อยเสื่อมไปเสื่อมไปถึงจะมีเยว์บ้างก็เรียกว่าเสือเส่อมคือวไม่ปฏิบัตินานๆนักเข้าด้วยความนิยมประเทน ม, มีนิยมในสมัยกาลเวลาความละอายขายขึ้นหน้าและความนั้นเสร็จกลายเป็นของไดน้นั้นโลกมันจะเสื่อมเป็นอย่างนี้ คนก็นยังรู้สึกว่าเป็นของไม่ดีแต่ว่าอาการอาการไ อ, อนิยมเหล่านั้นอ่ะยังนํามาใช้กันอยู่ของ ด, ดีไม่เอาใช้เอาของไม่ดีมาใช้ประเภทนีนิยมมันจะดีไม่เอานี่มันเสือ่อมแลีโลกจริงว่าโลกกระทำอันนั้นเป็นโลกกระทำธรรมที่เป็นพระพุทธเจ้าท่านสอนรู้นะท่านรู้เหตุปัจจัย โลกเสือ่อมเพราะเหตุใดโลกจเจริญเพราะเหตุใดโลกจะตั้งอยู่ได้ธรรมจะตั้งอยู่ได้ธรรมจะเสือ่อมเพราะเหตุใดท่านรู้เหตุรู้ผลท่านไม่ใช่เป็นคนเด็กอย่างพวกผู้ทุชนที่มีนนกิกเลสมาท่านร้อนเสียแจงอาเทวธรมทั้งหลายกิเลสทั้งพวงเนี่ยท่านรู้จัก จริงที่เป็นสาระไม่ใช่สาระดังเคยถบายฝังแล้วมีพูดถึงเรื่องโลกกระทำโลกกระบาดคราวนี้เราจะรู้จักว่าแต่ละคนละคนเราเป็นส่วนชิ้นหนึ่งของโลกของสังคมเราแต่ละคนละคนเป็นชิ้นหนึ่งของสังคมตัวของเราเนะี่ยมีอะไรโลกกระทำของเรามีอยู่ไหม เราจะรักษาโลกกระทำหรือเราจะรักษาธรรมะที่เกิดของจริงเราจะมีธรรมะที่ิีฤทธิอัปะเป็นเสอนคุ้มครองหรือว่าเราจะปล่อยให้โลกกระทำครอบงมใจเมื่อโลกหมุนกันไปทึงเเลวลงไปมันไปทั้งเลวไปในทั้งต่ำแล้วเราจะปล่อยให้สายตาโลกกระแสงโลกอย่างนี้หรือห <c oughs> รือว่าเราจะต้านทานโลก ถูกอยู่รละอย่างโนลาณนท่งนว่าไม่ซีดงัดไม่ทุ่มไม่อยู่ใจของเราอยากให้มันเป็นไม้อย่าให้เป็นไม่ซีดใจของเราให้เป็นไม่ซุ่มใจของเราให้ไม่ซุ่มงัดไม่ซุ่มให้มันมีที่หลบหลีบโบรานเท่านว่าหลบเป็นฝีหลีกเป็นหาง หาว้ที่จะรักษาตนคุ้มครองตนให้อยู่ในสภาพอันดีงามได้ต่อไปเพราะไม่มีใครแลกนอกระดัวของเราที่จะรักษาตัวของเราให้มั่นคงอยู่ในคุณธรรมอย่างเราทําความชั่วกัคนอื่นที่เขาชักจูงหรือประเพณีนิยมในเมื่อเราได้รับผลตามเช่นอันนั้นเขาก็ไม่มาช่วยปลดปลื้อมให้เราได้หรอก ต่างคนต่างไเรับไม่ต้องอื่นใครนะเฉพาะตัวของเรานี่แหละกายกับใจ่ร่วมกันเขอามันทำทั้งกรามดีและกรรมชั่วในเมื่อยังมีชีวิตยอยู่เช่นถูกปัาหาชีวิตยอย่างนี้เป็นต้นใจก็ต้องกลัวกายก็ต้องตายถูกพันก็ยยินเจี่ยงมันก็ต้องตายแค่เวลาตายตายแล้วไงกายกับใจแ ย, ยกกันออกต่างคนต่างไป กายนั่นทิ้งกายนั้นทิ้งใจเป็นเสื่อมสนิทก็มามเทนอมนานเวลาจากกันไม่บอกกันเลยแต่เวลาได้รับผลกรรมทือความสุขและความทุกข์ในอนาคตต่อไปก็ไม่ีใครจะไปช่วยเหลือกันได้อีกนอกจากเราที่จะช่วยเราเองนี่เราพิสูจน์ตัวของเราตรงนี้เราจะมั่นในธรรมะหลักธรรมสัจของสิงหหรือไม่มั่นจะอยู่ตรงนี้ หามว่าเราเชื่อมันน่นแนวแมในหลักธรรมเชื่อว่ากรรมทำดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วคนอื่นทําให้ไม่ได้หลักที่ว่าสุดที่สุดที่สเจ็ตต่างอันเโยวงอย่างอิสุท ธ, ธิ์ทัยความบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์เฉพาตัวเองคนอื่นทําความบริสุทธิ์ให้เราไม่ได้เรามั่นใจอย่างนี้แล้วเชื่อตน ท, นทนกุกตนใยประการอย่างนี้แล้ว จะรักษาคุณงามความดีนั้นให้มีเย็ยนในตนตลอดกาลเราจะไม่ลหลงไหลไปกับความเลวทรามและกับโลกกันนิยมถึงแม้เราจะเป็นโกแเราก็ไม่นิยมทางภายในใจล้วให้มีอยู่กายไม่จะเป็นปกับโลกแต่ว่าใจของเราอย่างเป็นแต่ขอโลก มนด้จากรกลเป็นตีกลีกเส็นหางตามโบราณตำราเลยไม่งั้นของยากของยากนี่แหละจะต้องใช้ปัญญาถ้าไม่ยา ก, ก, กมันทำไมต้องใช้ปัญญาสิ่งใดที่มันยากที่สุด้จะต้องใช้ปัญญามากที่สุดฉลาดเฉียวแหลมลึกซึ่งจึงจะทําสิ่ง น, นั้นให้ร่วงไปได้ถ้าหากว่าไม่ใช่ของยาก หมดเรื่องกันก็ไม่ต้องพยายามมีธรรมะเกิดจากของไม่ดีปัญญาเกิดจากทุกข์ถ้าเรยยกเทศถึงยังทุกข์ขึ้นก่อนเทศธรรมะของในโลกนี้มันมีอะไรดีสักอย่างเดียวไม่มีอะไรถูกสักอย่างเดียวอะไรบ้างที่มันถูกอยู่แล้วในโลกมันไม่มีอะไรบ้างที่มันดีอแล้วกมไม่มีดีพระ คนฉลาดมีปัญญาสามารถที่จะปรับปรุงของไม่ดีมาดีขึ้นมาของไม่ถูกก็ไม่ถูกสมาทธิพระพุทธเจ้าเกิดมาทีแรกก็ไม่ถูกก็ยังไม่ดีเราปรับปรุงขององค์จนกระทั่งได้ตัดสู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงค่อยถูกจึงค่อยเป็นคนดีและยังสองคนอื่นต่อมาเขาปฏิบัติตามองค์ซึ่งเป็นคนดีขึ้นแม้แต่สาวพุทของเรา ชาวพุธทธศาสนิกชนของเราที่เรารู้จักหลักชินธรรมและปฏิบัติตามนําคําสอนของพรเพระเทพที่ว่าเดินต่างน้อยที่พระองค์ได้คำถูกมาแล้วเป็นค่อยดีขึ้นมาถึงขนาดนี้เทพวันนี้พูดเบื้องต้นพูดถึงเรื่องธรรมแล้วก็พระธรรมมันต่อมาก็พูดถึงเรื่องพระธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองโลก คือฮี่ิและโอะ ท, ทัปธทรมท่านน่ะเท่านั้นนะ่ะพัฒนาโลกให้เจริญงอกงามขึ้มาให้ดีขึ้นมาทรรคุ้มครองโลกอยู่ตลอดกาลในหลักห า, ก า, ว, า, าว่าทรรมนี่แหละเสื่อมเจ๊าจากจิตใจของมนุษย์ชาลโลกเมื่อไหร่มโนมนุษย์ชาวโลกอะไรก็เสื่อมสามหายง่าก็เข้ามาแทนที่มนุษย์ชาลโลกอะไรก็เดือดร้อน วุ่นวายเลเดินแบบในคนที่สุดก็จะถึงปลายกันอย่างเดือดดิบต่อไปเนี่อธิบายมาใน ว, วันนี้ก็พอเท่านี้แหละ